พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางมักปินคำผูกตีหนึ่งเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทาพกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮยอะโมตัสภ า, ากาวะวโตอาระโตสัมมาสัมพุทธา เอวํมเมสุตังเอกังสาวะยังพาการวาสาวัตถิยังวิหารันโตภิกขุนังกะทังอารพาอิมังจัตกังกะเทศีตี สาธบดูรัสปุริจตั้งลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยอันนังเป็นท้อยนานำเพื่อฟังธรรมพระเจ้าตนเป็นเก้าแก่มูดีจุงฟังดีจำทีเอาเป็นตีพิดจระดาอย่าเจียนจาเกอาซุบสาบสูขวนทมจักเป็นกรรมตัวท้อย ติดจงหอยตัวไฟเราจะไขแต่เก้าตามอาจารเจ้านำมาฮือสธาน้อยใหญ่หูแจ้งไขตามมีบัตนี้และนะ <c oughs> เอกังซามายังยังมีกาลขาคหนึ่งใสพระติวัยทรงยานพงสําราญยังจอดในอารามหยอดเรื่องงาม เจือเจาตาวานารามผ่องแผวนอกเวียงแก้วสาวัสียาตาแดมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาละนั้นเหล่าอันว่าเจ้าพิโูตั้งลายอันนั่งย้ายเป็นหมูพร้อมนั่อยู่ร้องทมก็จากกำเป็นเหตุจักือพระเจ้าเตติสนา วะอาวะโสหนุราตันตั้งลายเหยีนุ่มเท่าเราเกิดเล่าสังกาว่าคนนานามวนหมู่ไหลมาสู่สัพนยู <c oughs> ยกมือจูน้อมไว้ขอเข้าไก่ฟังธรรมมีนาดำไายแลนับโบแป้สังาญาส่วนนางจินจามานาวิกาใจหยาบ ปองขณาพระมูนีอุบายมีบ่อน้อยกะทำถอยสามานแผ่นดินด้านอดบ่อได้่ยกจงไว้เป็นเหวไฟเป็นเปลวทางขึ้นตั้งแต่พื้นอเวจีนางกาลีบาปกาดัวตกกว่าให้หุนจุมหมู่คนทั่วดาว สาตัวซาอเนื่องนั้นเราได้หันแจ้งส่องขึ้นใจปองปูนกัวพ่อนังหัวหยก au, วักแย่เาไฟตัวเดากาญาและนะ่าตั้งสุดต่วพากาวาอันวาสัพปัญญาพระพุท ธ, ธเจ้าตนเป็นปินเก้าที่โลกาจารย์พ่งสำราญ พ, พ่องแพว ในกูแก้วกูดีโสตัญญาณมีเป่งป่อยได้ยินทอยกำจาอันสังขาม้วนหมูไข่เก่าจักกันเพราะเล็งหันเป็นเหตุจะกวนเตเตสนาจิงสาด็จลีลาน่ายบาทดังสีหาราชไก่สอนยกตีนจรพอดออกมาไปนอกกูหา พระพุทธผ่านแพวไปรอดแล้วเรียวไว้ก่อขึ้นไปนั่งอยู่ทํามกลางมูสังคาบนอาสนะงามอารนวิลาตรืองไรใครกาไปเกาถอยด้วยกมจืนจ้อยปีญาวาพิงขาเวดูราพิกกุส่งตนทารุงสิ้นใสสะอาจเชื้อนักผาทรรธรรม มีนานำม้วนหมูตันเก่าสั่งจ้าหันเรามาชวนใสหลวดยังไว้บอกเจียนจานั่นจ้าท <c oughs> ี่นั่นเจ้าพี่โกตนองอาจบชาลาดด้วยววหารก่อนมัสักการบอกเล่าฮิอพระเป็นเจ้าตามีพระมูนี่ฟังแล้วจริงใครข้าวแก้วเจียนจ้า ว่านางจินจามาณาวิกาใจบาปองคาดาบตัวเราบาปปอบเเบาจ่องกองลงสู่ห้องอาบาัยตกเหลือลายลำตีบ่ใจจัดนี้บัดเดียว เมื่อเราเต้ยวหลอกวางพงก่อสร้างปารามีนางกาลีนั่นใส่ก็ยังได้หิงสามีตันหาหลายแหล่แย่ไรแก่ตัวเราเอมองเงาหมดไม่ยามบาปไหลตัวตันตรวดจากมันสู่ห้องลงรอต้องอาเวจีก็มีและนะ พระพุทธก า, าวตอนนั้นแล้วก็อฮับข้าวแก้วบ่อเจนจาตีินันนเะจ้าพิคุตุองอาจจบฉลาดด้วยวโหหารจิงนำมาสการน้อมไว้ว่า้าแดพระบาทไท้ทารุงยานอันว่าอติตาดีตานดวงแล้วอันพระตนแก้วใครมา จุมสังฆาน้อยใหญ่บ่หูไฟสัจจังฆานิ่งวังจู่ผู้เหตุไขหูยาวไปขอพระไข่เกาวแสงหื้เสียงแห่งสังฆาแด้เตอร์อาตาภากาว่าในการนันไสพระติวัยทรุงยานจักไข่อติตาดีทานดวงแล้วจริงไข่ข้าอุบแก้วเตสนา ว่าติเตเกีราภิาเวพระ ม, มาตตตระ จ, จังกาเรสิดังนี้เป็นตนภิเวดุราภิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาตเจนักภาทรงยานแต่เมื่อ น, นานแต่สดลายแสนโกดสรงไขยังมีเจ้าห่อใจตนหนึ่งใสจือเต้าไทยพรมาตตราชา สเว่ยปาราใหญ่ปางมีจื่ออางบับปาราณสีมิราชัเตวียอดซอยงามจื่อจอยเหลือคนดังดังบนญฝากฝ่าจื่อนางนอลาจันตาเตวี พระเจ้าธานีใหญ่กวางคนอยู่สร้างกรรมาวีนำนาจดที่หลังเฮือนกี่ใย่ๆลำดับไปเป็นตาแม่ไก่ละเตืองกันสียังเหลืองดันมวนเล่นบ่มีเว้นวันคืนจุมคนคืนลายแหล่สุขบ้านแผ่ต่างเมืองหากำเคืองบ่ได้จนถอยไรนี่หาย โอูบาทลายก้อยกาดสัตว์ขาดนี่ไก่บ่มีเมืองใดเพียบใดคือเวียงใหญ่ดูงามดอกบัวจำพงดอกดอกป้านออกแซมซ้อนดอกจังก่อนยายทีพ่องพงกีดูเป้าเหลืองแดงขาวลายซำมีพร้อมพำลายสีปูป่ามีลายมูลาเล่นอยู่จมฟอง ปู พ, พ่งตอมดอกไม้เข้าสอดใส้ไก่ซอนคำแล้วจอบินสูยังที่อยู่รวงรังกินกันทั้งดอกไม้เธอรบไฟอาณาจุมวาดิจ้าป่อกาอยู่ต่างนาแดนไก่ตั้งคนในและนอกเตียวเข้าออกเป็นสายพองก้าขายขึ้นหล่องไปตามจ้องไผ่มัน คนเหลืองนั้นดาลาดบองหูขาดบางตาจุ่มเสนาน้ยใหญ่ตั้งไพไตยยิ่งใจสุขบ้านไหลตัวดาวเหตตันเต้าหอกคำทารงทำผะเสดป้าเหือเกิดสวัส ด, สดีก็มีฮันและนาะ โสราชาอันวาพญะพรหมมาตราดกับนางนาตันตาเตวีสะเวยปุริเมืองใหญ่หลายปีไขมือนมาบอกมีบตรานเนื้อจักสืบเชื้อวงใหญ่จุมคนในไพราตังอามาตเซนาตังนางกัญญาใหญ่น้อยตังต่ำค้อยเรื่องขี พับปูรีเต้าเจ้าคนหนุ่มเท่านา น, านาต่างใครจากเก่บอกเล่าสู่ลายหูว่าเต้าบุญจูตนองอาจสเสวราตมานานเสนาหานไผ่ไตสุขบาข้านไข่ยิงใจจนบ้านภายอุบาทบอกมาปาดเพียนขี้เหตุเจ้าปุรียดใหญ่ปฏิบัติไข่ตามธรรม บาดนเต้าองค์คำเป็นเจ้าดาหลวงเขา่าปัดชิมมาไว้บมีสายใยหน่อเ น, นื้อจักสืบเชื้อเเวบสีกันเจ้าปุรียดยาวรีบด่นวาานเะฮามรณาเจ้าพผ่เจ้าไผ่ไตเ ต, ตียงร่อนไม้ถนัดใจจักเอาไผ่นั่นเหล่ามาเป็นเจ้าแตนเมืองความขีเครื่องเอาร่อนเตีงยงไหลคอนมาจู มูวสัตถูกกาหยาบเตียงมาภาพเตจิงคนใจ ย, ยิ่งน้อยใหญ่จกอยู่ใดสันใดควรเราไปมวนหมู่พ้อหน้าอยู่หอคำย่อมือต่้าน้อมวบบอกเตาไทายตามมีบัตนีแดดเตือ อาตาในกาละนันไ่คนน้อยใหญ่นิ่งใจเสนาลายหนุ่มเท่าก็ไตเติ้จอมกันรีเปลวปั้นฝั่งเป้าขึ้นสู่ดาวหอคำแลอกไขกำโอกาสึ่งเต้าทีราช า, าวาคาแดมหาราชาเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าปุรีัติกรรมเครื่องขี้หลายแลก เกิดขึ้นแก่ใจนิ่งต่างคานิ่งจู่พูกืดสอดหูในใจว่าเจ้าหอใจตนองอาจบอกมีลูกรักราชยิ่งใจอันจักหม่ก็เกืือไว้สืบเชื่อแตนเมืองกันบุญเรื่องตันเต้ารีบด่วนหาเมื่อมนเจ้านากอไปราตตังอามาตเสนา เตียงเครื่องกาเยากยาวไข่แผ่นดาวเวียงใจจะเก้าไผ่นั่นใสมาเป็นเต้าไทยสวยเมืองเมืองรุ่งเรืองเบาผ่อนตั้งแต่ก่อนเมือนมาเตียงรอยราเป่าว่างคาซึกอ่างแต่จริงคนใจยิ่งน้อยใหญ่เตียงร่อนไหมลายสาธานจุมบงบ้านปีน้องปัดผ้าคองหายเสีย ผัวปัดเมียหล่แลลูกปับพ่อแม่หายหัหนจุมหมูค่คนใจบาจักขณาพระวิยตนปุริใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจ้างหอคำเป็นดังกำแต่ไทยตันเหล่าว้เมินมาว่าเมืองปาราใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจ้งางเซวยซีธนูดีองอาจสายป้อยขาดพุทเสีย สร้างถุเนียไววเป่าบ่มีเข้าไปในสาลาใสป่นพ่อบ่อมีเจอะ บ, บัวบานกันคำคานก้าใหญ่เอาฝากไว้แดนไกเมียเตรียมใจรวมหองเอาไปไว้ต้องไก่ห่นจุม่มเวียดนองอาจสิปัสสัดกุณยำบ่จดจำจิไห้ป่อยเต้มใสใบลาน มีลูกลานต่างห้องมีปีน้องไกาตาหูต่ำยาตำหายาหมากล้นป่อยบองหูต้นตัวยาของนาห น, านี่ใสตันว่าว้สุญโย เป็นตุกขอ์อปางเป่าแม่นแต่เล่าตามคำขอองค์คำเต้าเจา้าตอนเป็นปินเกา่าพระเจ้าผาธานาฮื้อใดยังลูกแก่นไทยแตนอง์แดเตอั <c oughs> <c oughs> งสุดตวราชันวา่าพระยาพระมาัตดตรัตฟังโอกาสทุนสาแห่งเสน า, ามาตัง้งไพราชเจ้าไต ก็ไข่กำไปตอบถอยว่าดูราไัยน้อยยิงใจเสนาหลายหนุ่มเทากำสู่ตันเล่าไข่ปั่นเราเล่งหันแจ้งที่หากเป็นตีตามกองเราคืดปองคำเจ้ า, ขาไข่ใดลูกเต้าเสือปุรีกันบุญมีเติมกําบ่อตกต่าเสียหาย เตียงสมมัยไฟห้อยบ่อกาดก้อยไก่กาสู่จุงลาขึ้นสูยังที่อยู่เฮือนตนแดเตวันผีดนั้นคนตั้งหลายน้อยใหญ่ฟังเต่าไทยใครจะสมนัสาจ้าจื่นปีติตื่นยินดีอันจุลีต่างเก่าไว้เต่าเจ้าหอฉัน แล้วปะกันคืนสูญยังที่อยู่ไัมันก่อีิหันแลยนะตาตานั้นตารังลำดับนั้นใส่เต้าหยดใหญ่พรหมตันราจาก็เรียกมาบอจ้ า, จายังนางนลาเตวี ไอวาตีบอกเล่าว่าดูระนังนอเ น, า, นาสสยใจบัดนี้คนในอามาดพ า, ราจรัจยิงใจโยธ า, าไหลหนุ่มเทาตั้งเสนาเกา่าริปน มีกังวลบ่เหือดร้อนไม่เดือดเครื่องกาย้อนสองเรารานี้เล่าบ่ามีลูกเตาแต่นเมืองขอบุญเรื่องน้องไทยจุงน่อมใบอธิษฐานขาบบนบ้านไว้ก่าซึ่งตันเตาอินค้มขออุดมหน่อเนื้อไว้สืบเจือปูรีกันบุญมีจัดแล้วบ่กาดแก้วสูญหาย เที่ยงส ม, มยัยไฟหอยใดลูกน้อยแดนเมืองเหือรุงเรืองป้ายดาเหือไฟฟ้าใจบ้านแดเตะวน mm ัน hmm. เมื่อนันนางเจียงจันเตวีอันจุลีอภิวาสจึงเต้าที่ราชบาิกาแลลีลาขึ้นสู่ยังที่อยู่หอใน เรียบเรลยวไว้บอจ่าละเกืองงงาอลังการตั้งมุกดาหารไข่ซอยแวนใส่ก้อยทงมาโรงแล้วสะสงเกตเก่าต่ำกองเก่าเดิมมาขัดกาญ้าพร้อมไข่หนุ่งผ้าไหมพื้นขาวชมเปิ่งเป้าสะอาดดังวันนาติดหอยสังแล้วแต่งยังขันใหญ่ ใส่เครื่องไข่ตามีเขาตอกดีดอกซอยเตียนใหญ่น้อยตามรายขึ้นใจไม่กดแครดรักษาสิบแปดเจ็ด e วันแล้วย่อขันดอกไม่โอกาสไว้เทวดาวเทวสังขาย่อขาแดดเทวดาตั้งลายมวนหมูอันตั้งอยู่กูวิบ้านตั้งเต้ามขาวานบุนกวาง โล ก, กาวางว่าเต้าอินตาผัวสุจาดาดอเนาตังเต้าเจ้ามหาพรหมผูสเสวยรมบ่กขาดในสุทาวาถึงอากานิธาตังเต้าอนยักขายอดใหญ่คือเต้าไทยเวตสุวรรณตังกุมพันยอดเยาวคือตังเต้าวิหุรุนฮราจา ตัางกันถ้าป้าตอนองอาจเกิดทาตาราราทบุญมีเจ้าปุรีหนกักใหญ่คือเต่าไทายวิรูปคหราชาทั้งเทวาดาน้อยใหญ่อยู่ปะาไม้ดงดานอยู่สถานเถือนทมอยู่หย่า น, น้ำสะครออยู่สิงคอนเถือนทองอยู่แห่งห้องราชปุรี ตั้งแม่ทระนีตนองอาจำน้ำยาดหมายตานจุงฟังสาลค้าน้อยอันกาวยไข่กั๊มแม่นสมป้านำมากวางค้าได้สร้างเตียมมาแต่ข้าวค่าจัดก่อนบ่อได้ผ่อนหายซูนคอนาบุญนั่นใสมารอดไกจูจน ขอเพื่อตนข้าคอยได้ลูกน้อยใจยิงไววเปิงปิงก็เือเปืือสืบเชื้อวงใยขอสมใจแห่งข้าอย่าได้จ้าหึงนั้นแดเตอร์ตัสากคุณเตเจนาสักกัดาปันดูกำปลาสิลาสานังอุณาการรังตัดเสีสิดยเตจากุณอันใหญ่ แห่งนางดอไทยบุญนาอันว่าหินปันดูงกำปัลลาสละอา่งเต้าทีราดอินตาปะกาติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนสุขุมาน กบันดานขา ด, ด่างห้อนแข่งข้างเหมือนหินตนคุณอินบุญใหญ่หูแจงไข่สัญญาจริงสวาตาเลงสองลงรอดทองจุมปูก็หันนางบุญจูน้อยนาดน้อมโอกาสตธิฏฐานขอบงหวนนนานหนอดานหนอนเอาไว้สืบเจ้อเจ้าหอจันคุณสวันหูแล้วกา็กาัดแก่ไปไว จากขอใจฝังเฝ้าขึ้นสู่ดาวตูสีดาเข้าไปหาติไกเตบาบุตรใหญ่โนโปติญานแล้วไขคันโอกาส ด, ด้วยบทบาทกาถาว่าโภมาดีซาดังนี้เป็นเก้าวาา่าคาแดเจ้าบุญ น, นำวางเป็นคุณธรรมโพโลกคือปุนโธภัยมาน กันสมปานแก่แล้วเตียงใดหนั่งแตนแก้วเป็นสัพปัญญุบัณฑีนางบุญจูยอดสร้อยงามจื่นจ้อยจันตะเทวีแห่งเต้าผูมีพรห ม, มตราตาโนมโอกาสไขรจาว่าขอบุตรตาดูกเต้าไว้เป็นเก้าแตนเมืองขอตนบุญเรื่องยอดยอดเมตตาโพดเร็วไว เรียบลงไปจากห้องเข้าสู่ต้องเตเวีแถมปาระมีกว้วางใหญ่เอปันไดทัดพพาญาแดเตอเมื่อนันนอปูธียานตนบุญใหญ่กันเตา่าไทยอินตาไขาขีญา้าเกาทอยเฮกาดก้อยหายห่นจากเมืองบนเตตอง ลงสูง่ะะยยห้องปตวีแถมปารามีกว้างใหญ่หื้อปันใดทัดผัญญาหนอธธา่ อ, อพุทธาเกิดแล้วใจฟ่องแผวใจบ้านบอ่อจากขันก่าูเต่าดักอยู่สันดีสุจัมปตีหยดยาวคือว่าเต้าอินทาหูขีญาแจงจอดว่าเจ้าหยดบุญ น, นำ ขับยังกรรมโอกาสบ่อเว้นขาดสัญญาก่ออำลาขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันและนาตาตาในกาลนั่นใสหนอพระติไวยบุญนาคก็ไก่กาก้อยกาจากพาศาส์เมืองบนลงเมือง้นเขตห้องเข้าสู่ต้องนางเมือง ตนบุญเรืองหยดเา่าเตวิตาอปาราณสีงามร้อยทีดารุงนางเต้าคุงฟันหันปุนอสะจั่นหล่แล่ว่ามีใจแก่ดำดำเอาป่าซิวคำตัวใหญ่งามแต่ใจสามารดังคำขานลลอมล่อมายืนต่อจูมือนั่งบุญลือจมื่นดวดยกยืนตัวปา นางกัญญากรอบใจนำไปไว้เดียวไววป่อขัวไาดา้แต่งหางตามอันจางเคยมากันดังดาผ่ำพ้อมก่อรีบน้อมยอถวายนางบุญภายน่อเนาสเสวยเขา้ากับป่ามีระส า, าลายแลสรแพรอินทีนางเตวีจมจื่นดวดสะดุง้งตื่นมืนตา ยินสังกาหลายลากรีบลุกจากหอนในคัดสีไข่ล่างนาบ่อได้จ้าเร็วปันรีบภายพันฝังเฝ้าไปไว้เต้าสามิกาใครขีญยาบอกเล่าหือเต้าเจ้าตับมีเจ้าปุรีพรหมตตรหูแจ้งขวาโหอ ร, ราไทยจริงไครกําไปตอบทอย ว่าดูราหยดซอยสายสีนา่งฝันดีแต่ใส่เตียงจักใดบุตตาตามพาธนาไฟอ่างบ่อวิตวังเสียไหนหอสายใจนั่งนาดยาพาบาดลาศาเหมือนนั่งจันตาเทวีหยดใหญ่ฟังเต้าไทยพวกลันแก่กําฝันบอกเก่า ใจจืดเยายินดีรีบละนีขึ้นสู่ยังที่อยู่หอตนหายกังวลต่ำก้อยใจจืนช้อยเจยบานบ่ป้อบ น, นแต่ใสกับผ้าใ่มีมานังรักษาบ่ขาดบ่พระมาทขึ้นวันก็มีฮันแลยนา ตาสามาเสภา ร, รีปุ่นเนกันสิบเดือนมารอดนางแก้วยอดเตวิตัดยามดีมาไข่ก็พาสูด่ได้บุตตามีลักคณาพระเสดงามลำเลิดเปิ่งแปลงยาติแฝงอยู่ไกลนางก่อมใจเห็นกันเข่าปะกันจมชื่นหักเจ้าคำหมื่นบุญนา ส่วนพระพิตาตนปอก็หักหนอสายเมืองกำขีข่เครื่องดวงแล้วกาะกัดแก้วสูนหายจิงจักหม่จื้อซอยแก่ลูกน้อยหัวปีเป็นดามดีบ่อเศร้ า, าชื่อว่าเจ้าสุริญยาคุมมานกามีหันแหลนา ต่อปรธานยะแรกแต่นั้นไปนาบอนเดินจ้าหึงนานเมื่อสุริยะกุมานนอน่อยหูที่ถอยกำจ้าสองวาสาวขวบไข่านางแม่ไทยเทวีกับพาพีแถมเหล่าสิบเดือนเขาเตึงตันนางจอมขวัญยอดใหญ่ก็พาสุดได้บุตตา มีลักขณ า, าล้วนทวนงามหญิงล้วนปูนแยงผิวขาวแดงจะจอนเนือเกียงอ่อนสุขุมานพระผู้บานตนป่อมีใจหม่อยินดีจิงใสเจือสรีโอรสราดบาเจ้าหน่อยนาจันตะกุ ม, มานก็มีหั่นแน่นา เทพตาโรสององใจปี่น้องเกิดรวมต้องเดียวมามีหลักคณะผาเสดงามลำเลิศเือตาข้อนานาหน่อยใหญ่บ่มาไกลอินทีโรกามีใหญ่น่อยบ่จ้องห้อยกา้าตั้งสองขาน่อยนาทหูฉลาดเสมอกันปีเดือนวันปั้นรอดยามเจ้าหยอดสุริยา มีวาสาขึ้นใหญ่อายุได้สิบหกปีเจ้าปุรีตนป่อคึ้ใจต่อบุตตาวาสุริยาลูกเท่าอายุเขา้าสิบหกปีสมควรดีหนังแต่นเป็นลักแก่นแก่มเมืองผูกกุณเรื่องปีเก้าเฮือเป็นเจ้าเวียงใจเฮือคนไหนอามามัรผจราชเยบาน ส่วนจันตากุมมานพน้องกวหนั่งห้องอุป ร, ราชากันพญาพรหมตัดราชกนิ่งขวาดในใจเป็นดังไครเก่าแล้วก็เรียกนางแกอจาญาฮือเข้ามาบอกจ้านั่งต่อหน้าองค์คำแล้วใขกํำบอกเก่าฮือนางตาโอตามี นางเตวียอดซอยก็ตอบทอยทุนสารวากันพระผูบานปีเจ้าสั้นที่เล่าหันตั้นน้องก็หันจอมปีบอมีตีสังกาตามอาจญยาเจ้าจ้างจังไฟอ่างตกปั่นและนาอาธาในกาละนันใส่เต้ายอดใหญ่พรหมตัดรรจา้า เรียกสองขาลูกเต่ามาหนังเฝ้าหอไหนแล้วจกใครบอกก่าวหื้อข่าวตามมีว่าดูราใสปุรีลูกเตา่าบันนี้พ่อแม่เจ้าสองขากอ่อจระร่าแกขา่ข้าบอกควรเป็นเตา่าหอใจสองตาใสก่อนกี้บอกแจ้งทีมัวฟัง ลุกดังข้างอิดอ่อนสติพรลืมลงปอจักปงฝันขาดยังภาสาตหอคำรีปนนำน้อยใหญ่พ้อเสียงไขวยียงใจฮือสายใจลูกเตาได้เป็นเจ้าสมวยเมืองฮือบุญเรื่องผู้ปีได้นั่งตีเป็นคุณฮือเจ้าตนลุนผู้น้องได้นั่งห้องอุปราชา ขอบุตรตา้อยนาดยาเว้นขาดเสียธรรมจุงตามคำแห่งป่ออันตานต่อกคำดีบัดนี้แดเตอโ <c oughs> สโสอริโยอันวาสุริยะกุมารหนุ่มเนาหนอพระเจ้าทารงญานฟังพระผู้บัญฑนป่อไขรต่านต่อกคำดี อันจุลีน้อมไว้ว่าคาแดพระบาทไทยเดือหัวปันดังตัวลูกเต่าอายุเขาสิบหกปีจบทองดีเสียงไขว่คู่น้อยใหญ่นานาสปาสิบป่าหลายสิ่งจบทองยิ่งจูพักการบอกกวนหันอวดอูว่าอาจภาพสุสัทธูคงจุมปูนี่ใสาหากวางใหญ่นำนา โอ้ปามาว่าไว้ดังกบใหญ่ตัวลายอยู่บวกควายแต่ก่อนบ่อออกบอนไปไหนก็ใส่ใจอวดอ้างว่าบวกกว้างนำนาโอ้ปามานี่เหล่าดังขาดุกเตาคันนิงก้องแม่นจบทองเสียงขาสิบประสาทเพึงเราดูบางเบาแต่ใส่บออ่ออจใจไปลุน <c oughs> เปื่อกำามลนส่งตุมหฮืออยู่จุ้มเย็นใจหฮือเวียงใจกว้างใหญ่จำเรือนไข่ยิงใจลูกนี่หมยคำเจ้าไข่ไตเต่ต้ไก่กาจากปาราแต่ต้องไปสู่หองแดนไกเฮียนบนใจจู้สิ่งสาทะเปตนิน่งนานาจากตาภาษาบุญใหญ่ในป่าไม้หินมะปาน จากอาจารเอกอังในเมืองกว่างไก่ห่นกันกุศลจัดแลี้ยวบ่อกาดแค่อสูวหายเตียงสมไม้ไฟห้อยบ่อกาดก้อยไก่กาหอพีตาตนพ่อมีใจหม้อใจบ้านเฮจันตะกุมานน้อยนาดเป็นอุปราชหอใจกันยามใดตัวคาปิกหายนาขึ้นมา คอยเป็นพ้าญาแตนแตนเฮ้อมันแก่นไปทุนเปื่อแตนกุณป่อแม่ตั้งเท่าแก่ตาหนขายขอบุญพ่ายป่อไทยยาโคดไม่โครทาขอขุนหน้าวางปล่อยเฮ้อลูกน้อยตามกำแดดเตอ เมื่อนั้นพญาพรมรมามตัดรากฟังโอกาสทุนสารแห่งสุริยักุ ม, มารลูกเก้ า, ตาเต้ากึดเล่าคนิ่งในโอราไทยไวัวันกึศสอดดันดาด า, ดาวาสุริยานิไทนางนาไทยเตวีพาธนาดีกดแขดทักษาสินแปะจำไมย ย่อขันทวายอภิวาซึงเต้าทิราชอินตาตังเตวาดาน้อยใหญ่พ้อเสียงไข่มหาพรหมขออุดมหน่อเนื้อมาสืบเชื้อวงสารอยขุนอินตาหยดยาวตนภาพดาวเมืองบนฮืเตวบุตรตนบุนกว้างมาก่อสร้างป่าระมี กำปูรีกูไทยเฮ่ไผ่ไตยิงใจสุขบ้านหลายจูผู้จำเริญอยู่เหมือนนานเฮ่เต้าผู้บ้านน้อยใหญ่มาน่อมใบปูจากันกูจาห้ามขาดบอหืฮ่ลูกกระกราดใส่ใจได้หนีไกจากห้องไปสู่ต้องแดนไกเฮียนบนใจวิเศษ ตามตองเตชจุมพูเป็นดังกูนีไใสตัดตังไตมุตตาตัดวดซาซาแห่งลูกเตียงบ่ถูกตามธรรมกันไข่กําบางปล่อยือลูกน้อยไปดีแม่นมันนี้เสียกว่าไปเดินจ้าหึงนานลืมสถ า, านเมืองเก่าบอกปอกเต้าขึ้นมา กูจะราเท่าแก่พญาถแผ่เมื่อม้อนเจ้านกอนน้อยใหญ่เที่ยงเดือดไม่เครื่องกาจุงเยธาตัวดาวเตียงว่าเก่าตนกูเต่าบุญโจพรหมตราชาเจ้าภาษาถอใจคัดดิ่งใหลายหลากบ่อจ้างปากกำไดก็มีวันนั้นและนะ เนธตังขีณาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุนางมาปินคำผูกเก้ากอบังกมสม็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ